นักปฏิบัติธรรมเราจะนิยมความเงียบเรียบง่ายยังเบาๆเพื่อที่จะรักษาบรรยากาศความสงัดวิเวกให้มากที่สุดสำหรับนักปฏิบัติที่คุ้นเคยแล้วกพราะความวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าได้ไหวสำหรับในช่วงชาวันนี้ก็ อย่างที่กล่าวแล้วว่าเราการประเมินผลบางส่วนเพื่อให้แต่ละท่านได้บางคนนะนะว่ามาก็ไม่รู้จักชื่อทั้งหมดนั่นก็จะดูบางคนที่น่าจะนำเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตินะเพราะบางทีคำพูดคำเดียว ท่านสั้นแต่ว่ากินความหมายเราอาจจะจดจำไปปฏิบัติได้ยาวนานก้าวหน้าแต่บางทีเราไม่สามารถที่จะเห็นสภาวะในตัวเองได้ทั้งที่มันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มีใครมาสกิดให้มันเกิดเห็นขึ้นมามันเราไปหาของหาเท่าไหร่ไปเจอแต่คนที่เขาเคยเจอเก็ไปเปิดให้ดูแป๊บเดียวแป๊บเดียว ก็เห็นทั้งหมดเลยนะ น, นันลักษณะของพุทธภาวะเนี่ยมันอยู่ในตัวของเราทุกคนแล้วแต่บางคนยังมองไม่เห็นว่ามันอยู่มันอยู่อย่างไรถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งมาพูดถึงไปสัมผัสณจุดนั้นเข้าเราเห็นเหมือนคนชี้ให้เห็นมันก็เกิดสว่างขึ้นมาอันนี้ก็ประโยชน์ของการแบ่งปัน เพื่อการสกิดสะเกาจุดสำคัญของพุทธภาวะให้เกิดขึ้น น, ะนั้นเวลานำเสนอเราก็จะพูดถึงส่วนที่เป็นสาระที่เราสัมผัสได้เราไม่ได้เอาเรื่องอื่นมาพูดมากมายการพูดก็ไม่จำเป็นต้องใช้เวลายาวนานแต่เลือกในส่วนสำคัญที่เราสัมผัสได้มาพูดให้เพื่อนฟังก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะ อันนั้นคือประโยชน์ว่าที่เราแบ่งปันเราประเมินผลกันเพื่ออะไรไม่ใช่เป็นธรรมเนียมว่าถึงเวลาปิดคอร์ดแล้วก็มาพูดกันมากมายแต่เราเลือกว่าใครที่น่าจะได้พบสภาวะอะไรบางอย่างในตัวเองแล้วมาพูดให้เพื่อนฟังสภาวะนั้นมันอาจจะไปกระทบและไปเปิดจุดพุทธภาวะของบางคนให้ตื่นขึ้นมา แล้วเราก็สามารถจดจําสภาวะนั้นได้ตลอดนะในตัวเราเองอันนี้คือประโยชน์อันนี้ส์งของการประเมินผลนะซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ต้องอ น, นี่ก็ได้บางทีเราก็ดูบางคนท่านเองแต่เที่ยวนี้ก็ยอมรับว่าคนใหม่มีเยอะมากที่มาไม่คุ้นหน้า น, นั่นอาจจะไม่ได้เรียกขานขึ้นมาพูดกัน หรือมารายงานกันก็น้อขออภัยด้วยเพราะเราเพิ่งมารูจักกันแต่ก็ถ้าได้มีโอกาสได้พบกันเรื่อยๆก็อาจจะได้นำเสนอนะในเบื้องต้นนี่ก็จะเนือฝ่ายพระก่อนนะท่านพระครูสุเทพท่านมาตอนแรกท่านได้พูดให้เราฟังในฐานะเป็นผู้มาเพิ่งมาถึงแต่จนมาถึงวันเนี้ยเวลาผ่านไปห้าหกวันเจ็ดวันแล้วนี่ อาจารย์พระครูท่านอาจจะมีข้อสังเกตให้เราเห็นจุดสําคัญในระบางอย่างข้อ น, นี้มันลําบากตรงนี้แหละอะไรต่ออะไรเลี้ยแยบอย่างหมดลุงหลังนะที่ไม่เคยได้ใช้เท่าไหร่นะอาจารย์พระครูสุเทพครับอยากอยู่อยากอยฟังว่าอาจารย์พระครูได้เคยเปิดอบรมปฏิบัติที่วัดมาก็ยาวนานได้ปฏิบัติมาก็ยาวนาน <c oughs> น่าจะมีข้อสังเกตอะไรที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ที่เห็นชัดๆว่ามันน่าจะใช้วเวลาใีการปฏิบัติไม่นานจะเข้าใจได้ความเมตตาจามา ร, รยครูได้นำเสนอจุดนั้นก็ข อ, ขอการคณะสงฆ์ทุกหลุกล็กจเจริญพรจะยมทุกท่านนั่งปฏิบัติตามปกติ ก็ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมงานปฏิบัติ่านทำประจำปีของทางวัดธรรมแสงเทียนอย่างนี้ก็เป็นดีกปีหนึ่งที่ได้โอกาสได้มาได้พา สามเณรน้อยแล้วก็ญาติโยมนะมาร่วมปฏิบัติธารทโดยมีหลวงพ่อมาหาด้านได้เป็นแกนหลักในการอบรมชี้แนะการปฏิบัติเป็นประจำส่วนการ ปฏิบัติของผมเองหรือองต์ตมาเองก็บางทีก็อาจจะขายกันหรือว่าแตกต่างกันเพราะว่าสมัยก่อนที่ในข้อมาปฏิบัติในช่วงที่ ยังไม่มีครูบาอจารย์นะมากเท่าไหร่เนาะเมืม่อปีสี่ห้าสี่หกนะได้ไปอเก็บอารมณ์นะอยู่ที่อัตตาเ ข, ขาวังคาเก็บเก็บอารมณ์สี่สิบวันเนี่ยมีครูบาอาจารย์หลายรูปไป เป็นพี่เลี้ยงมีพ่อสงครามก็ฉลันไปเป็นพี่เลี้ยงของพ่อกบเขียนที่ไปเก็บประหลงพื้นฐานในการปฏิบัตินะแตะก่อนเนี่ยไม่ไม่มีเนาะเพราะว่าไม่เคยเข้าวัดปฏิบัติมาแต่ เป็นฆราวาสนะเพราะเข้ามาบวชจำบรรษาอยู่บวชอยู่ที่จังเสาก็เลยมีโอกาสได้มาเก็บบัลลมการเก็บบัลลมของนักปฏิบัติธรรมความหมายก็คือให้อยู่คนเดียว ให้อยู่คนเดียวไม่พูดกับใครนะันวันหนึ่งให้อยู่คนเดียวเนี่ยเร า, อ, าอยู่ยากมากาในการอยู่คนเดียวในการปฏิบัตินะเรตักข้าวแล้วก็ไปปฏิบัติตามเทิอนโยงกลมไปนั่งสมาธิตั้งวันนั้นแหละนะบางทีก็ทำให้เกิดความคิด ความชิดปรุงแต่งการเดินจงกรมก็เดินับความชิดนั่งสมาธิก็นั่งอับความชิดนะเพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานนะครูบาอาจารย์ท่านบอกวิธีการยกมือสร้างจังหว ะ, อะบอกวิธีการเดินจงกรมแค่นี้แหละนะท่านไม่ได้บอกอะไรอ ะ, อะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามท่านไม่ได้บอกเรานะให้เราไปบอก ให้เราไปเดินจงกมมเป็นนั่งสมาธิชุบมือซักจังหวะห า, าเองในส่วนนี้เนาะวนนั้นก็ก็ฝากพวกเราไว้า ก, ก็มีโอกาสได้มาร่วมงานาก็ไม่ได้มาช่วยอะไรมากมายเนาะเพราะว่ า, าสุขภาพก็ไม่ดีแต่ ว, ว่าม า, าเป็นกำลังใจให้อาจารย์สมพงศ์ที่ เคยอยู่ด้วยกันนะเคยบวชให้ท่านก็ถึงเวลาก็มาให้กำลังใจท่านก็คงจะแค่นี้เนาะก็อาจพระครูท่านได้จัดอบรมที่วัดบ่อยนะทุกปีอาจารย์สุอาจารย์สุพงไปช่วยก็ได้มาช่วยกัน แล้วก็มีพระเนนมาจากสำนักของท่านมาปฏิบัติที่นี่เป็นระยะระยะก็ะถือว่ามาส่งเสริมกันก็มีภารกิจทั้งด้านการบริหารดัานจัดการเป็นพระสังฆาธิการงานเยอะนะก็ไม่ค่อยได้พั ก, กสุขภาพไม่ค่อยดีทีนี้ในผู้ที่อีกท่านหนึ่งท่านเข็มอาจารเข็มนี้ มาปฏิบัติในสมัยตั้งแต่เป็นเครือข่ัดทั้งครอบครัวเลยนะแล้วก็พอปฏิบัติแล้วเข้าใจพอเข้าใจแล้วเลยวางแผนชีวิตว่าจะต้องแก้ไขปัญหาด้านครอบครัวให้เสร็จเรียบร้อยจะออกบวชท่านก็ทำได้ตามนั้นพอออกบวชแล้วก็พาทั้งครอบครัวออกบวชญาตพี่น้องมาปฏิบัติ หลายคนตามที่เห็นนะมาที่วัดธรรมเราก็อาศัยสถานที่ใกล้เคียงกันแล้วเป็นลานธรรมของวัดธรรมท่านก็ประจําที่นั่นซึ่งตรงเนี้ยเป็นตัวอย่างอะไรบางอย่างสําหรับค้อรู้ขัดของเราเนี่ยน่าจะทําได้ในท่านเข็มท่านทําได้อย่างไรเนี่ยเราน่าจะได้ฟังอ่าข้อคิดของท่านว่าจะได้สติแบบเนี้ยทําให้เราตัดสินใจทำอย่างนั้นได้อย่างไรซึ่งมันไม่ใช่ของง่ายเลยเนยะก็ขอค้า ถวายความเคารพหลวงพ่อพระผู้อาอาจารรูปหนึ่งจเจริญในศีลในธรรมที่สัทธาช ญ, ญาโยมได้ออกมาประพฤติวัดปฏิบัติไม่ว่าจะแนวทางไหนแต่ก็ขอบใจที่มาใช้แนวทางนี้เพื่อรักษาอบายที่เข้าถึงใจตนเองของหลวงพ่อเทียนไว้ ก็โมตนาสาธุกขรารนั่งตามส บ, บายถ้ <c oughs> าทํามเองก็ใช้ชีวิตทางโลกแบบปกติทั่วไปแหละก็ไม่ได้เกเรอะไรนักหนาหรอกก็เป็นคนหนึ่งที่โยมพ่อเขาให้ความสำคัญว่ามีเราคนเดียวน่าจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องได้โยมพ่อก็พูดตั้งแต่เรายัาง <c oughs> อายุก็สักประมาณสักสิบสี่สิบห้าใจร้อนหงุดหงิดหมโหง่ายอะไรเหตุไรผลนั่นคือสันดานดิบเพราะาระบบัวมาเป็นเด็กบ้านนอกกอใช้ชีวิตแบบขยันในการงานก็ทำไปเรื่อย แต่ว่ามันก็มีรุ่นพี่ที่เขาเที่ยวดื่มเล่นการพ น, นันเราจะหาเงินให้พ่อแม่ก็ต้องถูกยืมถูกเอาไปใช้ก่อนก็มีผลมันก็ต้องไหลไปตามเขา ก็อย่างที่เห็นนี่แหละก็มีหลวงพ่อเทียนปลุกทุกเช้าเราจะตื่นตอนไหนแล้วก็ต<ล>ั้งหลวงพ่อเทียนปลุกก็มีความอบอุ่นแล้วก็ความรู้ความเข้าใจก็เพิ่มเติมพอชีวิตเมื่อปีสี่สองก็ได้ไปถึงแพ่แสงเทียนพระอาจารย์ท่านก็พระอาจารย์เกษินอนุพัทธโธ ท, ท่านก็พาทำ ประกบตัวประกบหน้าประกบหลังประกบข้างนั่งคู่กันทำพอเรายกมือได้อาตมาทำเนี่เจ็บปวดเมื่อยแล้วก็นอนทำนั่งทำทำวัดอย่างนี้เนี่ยตาไม่อายใครเลยนอนทำมันไม่ไหวพอยกมือได้ท่านก็ให้ไปเข้าอยู่ในกุฏิแล้วก็ พอนั่งยกมืออยู่ท่านก็เขียนหนังสือไปพันกระดานไป็เล็กๆ เ, เอาให้อ่านอ่านออกไหมเนี่ยออกครับเฝ้าดูกายเคลื่อนไหวเฝ้าดูใจคิดนึกทาแค่นี้พออ่านอ่านอย่างเงี้ยเฝ้าดูกายเคลื่อนไหวเฝ้าดูใจคิดนึกทําแค่นี้ทําได้ไหมได้ ได้ครับได้เราก็ทำไปจันก็นมายิ้มยิ้มแล้วท่านก็คอยเดินผ่านอยู่เลยปุกทุกเช้าเสียงะระฆังยังไม่ดังเลยเสียงรองเท้ามาถึงแล้วแข้มลุกโอ้ลุกเลยทำวัดห่วงบ้างอะไรบ้างนะสมัครสบอมอยู่ แต่ว่าอาศัยว่ามีอาจารย์คอยผ่านคอยเตือนบางทีท่านก็มาแบบกัดฟันกัดกรามโกรธเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้ยเราก็นั่งปฏิบัติเฉยๆเนี่ยมายังไงมาแบบเราก็ไม่รู้ว่าเข้ามาเขียให้เราเย็นก็เดียดเดียเดี้ยมึงเีย มาพูดความจริงในใจตอนนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเด๋ยราเป็นคนอย่างนี้ก็มากัดกามมองแบบขึงขังแบบอ้าวพอก็ผ่านไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาเราอีกอยี่เหมือนคนมีเมตตารักแสนสุดสวัสดพูดก็เพอค่อยๆแท้จะไม่ได้ยินไอพูดค่อยๆแท้จะไม่ได้ยินเราต้องตั้งใจฟัง แล้วมันเกิดความนิ่งที่เราตั้งใจเราว่าได้ครูบาอาจารย์รูปแรกก็รูปเดียวตลอดไม่เปลืองครูบาอาจารย์พอหลังจากนั้นก็มีหลวงพ่อมหาทำหน้าที่ประกบตลอดก็หลวงพ่อก็ได้ทำลายครอบครัวทั้งโลกได้สาเร็จเนี่กว่าจากก่อนตายไม่เสียดายในกรรม ก็ถือว่าขอบคุณหลวงพ่อที่ให้โอกาสนี้หลักก็คือสั้นหลวงพ่อจะให้พูดสั้นๆตปอหมายเพื่อที่จะเอาไปใช้เมื่อวานเจาะหลวงพ่อพาเจาะเราก็ไม่ได้มองไปตามสเต็ปนั้นๆหรอกเพื่อที่จะเอามาใช้กับผู้ใหม่ให้แก้ไขแต่เราก็เจาะเฉพาะที่มันจะหยุดชะงักไปเลยก็แค่นี้ ถ้าจะลบนามรูปที่เกิดขึ้นเพื่อจะไม่ให้เป็นสังขารไม่ว่าจะเป็นสังขารฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีก็ก็มารู้ที่เคลื่อนไหวชัดนามรูปอันนั้นมันก็สลายก็เลยมาเห็นวงจรของปฏิสัมพันครบแล้วก็ก็เห็นว่าทั้งหมดน่ะมันมันไม่มีเราหรอกมันก็มีแค่สมมุตินั่นแหละก็ให้ความสำคัญกับการรู้สึก ก็การเคลื่อนไหวชัดที่ไม่มีเจตนามากรู้สบายๆแบบลุ่มหลวมนั่นแหละแล้วก็ดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกสื่อมีมากให้อ่านแต่การอ่านภายในก็คือดูอาการของใจต่อเนื่องนั่นแหละมันได้คำตอบ แต่ถ้าลืลมดูใจไม่ได้กำหนดการเคลื่อนไหวเราก็ไม่มีที่รู้ที่เรียนช่วงนั้นเราก็ไม่ได้เรียนสภาวะจริงสิ่งที่จะได้ผลก็คือจะต้องสร้างความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องจนติดแล้วเราก็จะได้ดูสิ่งที่มีถ้ามีความสงสัยเราก็เคลื่อนไหวไว้เดี๋ยวก็ได้คำตอบ สงสัยอีกก็รู้สึกกระเคลื่อนไหวอีกคำตอบก็จะมีมาเรื่อยๆหลักสั้นๆก็คือรู้ชัดแบบสบายๆนะก็ฝากไว้แค่นี้ก็ขอให้มีความสำเร็จสาเร็จในการดำเนินชีวิตหน้าที่การงาน มีความสำเร็จสำเร็จมีความเบิกบานที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ก็เจริญพรกอกลับสวายความเคารพหลวงพ่อและอาจารย์นเทลานุเทลาทุกท่านครับบุบาสุบบาสิกาทุกท่านผมก็อยู่กับพระอาจารย์ผมมาก็เมาใหม่ก็ต้้งเอปีปีห้าสิบ ก็มาก็มาอยู่กับพระอาจารย์ตั้งแต่ตอนเป็นป่าเข้ามาก็ไม่มีพระพระอาจารย์สุพงก็ไม่มีใครอยู่ก็ช่วยท่านมาตั้งแต่เป็นขันละวาดบวชปีห้าสิบก็ดีก็ประสบการณ์ของผมก็ก่อนที่จะเข้ามาในสุพมก็เป็นสร้างซ่อมรถแล้วก็พอดีก็ได้มาบวชกัเพาะเองรถคันแดง ก็มาส่งให้าบาอาจารย์มั่งนะก็มาก็มาเห็นเพราะแต่ก่อนผมไม่เคยศรัทธาในพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเลยแต่ก่อนนะยมแม่ไปวัดผมก็ไล่แม่ไปนอนอยู่ที่วัดไม่ต้องกลับมาบ้านสุดท้ายก็เป็นกรรมตัวเองต้องมาอยู่วัดแล้ผมก็เลยศรัทธาเรื่องตอนเพราะว่ามาศึกษาก็เพราะว่าพระครูบาอาจารย์นั้นทาาทาวัดไปว่าความหมายเป็นยังไงยังไง ผมก็เลยรู้ว่าเออการสวดกันสวดมนต์นี่มันมีประโยชน์ยังไงยังไงแล้วก็ศึกษาเรื่องคําสวดมนต์ไปลแล้วก็เอามาใช้ว่าสังเกตดูว่าเออมันเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงของเบลีศรัทธามาก็อยู่กับพายอาจารย์มาก็ทําด้วยศรัทธาครับผมมาอยู่ที่นี่ด้วยศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรื่องการปฏิบัตินี้ผมก็เอาตัวตัวงานเป็นหลักครับแต่จะให้ผมเดินจงกรมทั้งวันผมไม่เดิน นอกจากเข้านอกจากอจะไปเข้าค่ายเดือนหนึ่งหรือว่าสองเดือนผมจะทําเพราะว่าถ้าอยู่ที่นี่ความคิดผมมันเยอะคิดมาก็แวบไปทํางานเและวิคิดมาก็แวบไปทํางานเล้ ว, ว, ลวส่วนมากผมก็แวบไปถ้าไม่มีงานขน้างล่างก็ขึ้นไปอยู่บนน้ําตกขึนไปดูน้าํามั่งใดมั่งต่อทาด้วยสตินะครับทําแบบว่าเราไม่มีว่าดูใจดูจิตแล้วว่ามันเป็นยังไงว่า อ, อบางทีขึ้นไปดูว่าน้ํากลับมา แล้วก็จะดูอารมณ์ของตัวแล้วว่ามีความโกรธไหมบางทีขึ้นไปก็เออน้ํามันเป็นยังไงยังไงเราก็ทําอยู่คนเดียวแต่ผมแต่ผมจะไม่ค่อยยุ่งกับใครนะครับแล้วผมก็จะไม่ค่อยใช้ใครหรอกเพราะว่ามันเอามันเป็นยังไงคือว่าก็เขาจะลําบากหรือว่าเราให้พาครูบาอาจารย์นั่านได้แบบัตแรบบผมก็เป็นกองหนุนกองหนุนในเรื่องการกอ่อสร้างอะไรบ้างอาจารย์ก็ให้บอกว่าผมก็บอก พระอาจารย์ผมบอกว่าฝ่ายเทศฝ่ายสอนฝ่ายอะไรก็ผมก็ยกให้พระอาจารย์ผมจะไม่ยุ่งเพราะว่าผมผมสอนไม่เป็นผมพูดไม่เป็นผมก็สนุบข้างหลังคือว่ายังก่อสร้างมั่งอะไรมั่งก็ช่วยพระอาจารย์มาก็สถานในที่นี้ครับเพราะว่ามันได้ประโยชน์สูงสุดปีนี้ผมก็ว่าเออมาก็พระอาจารย์ก็ไปเก็บอารมณ์มั่งอะไรมั่งผมก็อยู่ดูเลยเห็นท่านก็ ก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยครับก็เรื่องการทํางานนี้เราใช้กับงานได้ครับสติเราก็ดูอารมณ์กันว่ามันเกิดดับเกิดดับไม่ว่ามันความปวดเข้ามาความไม่พอใจไม่พอใจเราก็ดูมันดูไปวันวันดูไปวันวันดูทุกลมหายใจครับแล้วมันก็จะละเอียดละเอียดเลยทํางานก็เย็บรอยดีครับปกติเขาเห็นผมนี่จะเป็นคนที่หยาบครับเห็นผมเดินมนเดินกระดกกระดิกไปอย่างงน้นอย่างนี้แต่งานออกมา ก็ต้องย้อนหลังดูว่าเออเราเรียบร้อยไหมละเอียดไหมมันจะสติตัวนี้มันจะช่วยได้เยอะครับก่อนผมทํางานก็ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นครับเก็เรื่องการเจริญสตินี้มันก็ช่วยได้เยอะครับทําถ้าช่วยไม่ได้ก็คงจะอยู่ได้เป็นขนาดนี้นะอก็ใช่ไหมครับสวัสดีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่กรลทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมที่ มาทำเนี่ยผมเองก็ใหม่ต่อสถานที่นี้มาได้สักสามสี่ครั้งเองนะก็พอดีมาตอนนั้นก็สลานี้ยังไม่มีกระปูรสแลนลมพัดมาก็ตีปลิวไปหมดเลยก็ท่านท่านอาจารย์คุณพ่อสมพงศ์ก็บอกเออให้ช่วยกันหาทางที่จะสร้างสลาปฏิบัติธรรม เราก็เห็นชอบกันเลยช่วยกันหาปัจจัยมาสร้างจนกระทั่งได้เป็นบัตรนี้ก็รู้สึกว่ามีความสุขอย่างยิ่งเลยที่ได้เห็นศาลานี้เรียบร้อยสวยงามแล้วก็ใช้เป็นที่ปฏิบัติของญาติโยมทั้งหลายผมรู้สึกมีความสุขมากๆเลยความจริง มาคราวนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาเพราะไม่ค่อยสบายหลวงพ่อโทรศัพท์ไปหาที่กรุงเทพบอกขอให้มาหน่อยวันนี้ผมมาก็มาท่านบอกว่าถ้าผมมา้ะจะได้มีความสุขทั้งสองคนทั้งสา ม, มีภรรยาท่านจะได้มีความสุขก็ไปครับไปตกลงมาเลยวันที่ย4่สี่ก็ออกแต่เช้ากรุงเทพวันที่ย5่ห้าก็วันที หลวงพ่อก็พาผมไปความจริงผมปฏิบัติรรมาได้พอสมควรก็ยังไม่ค่อยเข้าถึงจุดที่เราอยากจะให้มันถึงคือจิตใจเราสติก็ตามอารมณ์ก็ตามรู้สึกมันยังเข้าไม่ถึงไม่เหมือนกับประจบุบประจุบเข้าเก่งมากมาาก็เลย ผมผมก็พยายามพยายามอย่างยิ่งว่าจะทำให้สำเร็จให้ได้หลวงพ่อพามาวันนี้มาที่นี่บอกขอให้มาหน่อยรูไหมครับหลวงพ่อพาผมขึ้นไปวัดทำเข่าแดงทำบัวแดงนะซึ่งผมเองอ่ะไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วไม่ค่อยสบายอยู่แล้วเดินเหินไม่ค่อยสะดวกต้องใช้ไม้เท้า ผมขึ้นไปจงกระทั่งถึงถ้าวัาาดถ้ำเขาแดงนี่แหละฮะหลวงพ่อประกบผมตลอดเลยคิดปัจจุบันผมเลยได้จุดตรงนี้ว่าโอ้ ที่เราไปได้ตามปกติผมนึกไม่ถึงว่าผมจะขึ้นไปได้ยังไงอยู่ที่บ้านขึ้นบันได15ีย้าบกขันกก้นนี่โบก็แย่แล้วครตามปกติไปไหนไกลๆลําบากเพราะข้อเขาไม่ดีขาไม่ค่อยดีไม่ก็มีแรงแล้วก็ผมก็เป็นโรคหัวใจด้วยก็กลัวว่า้เดี๋ยวออกกําลังกายมากๆแต่ออกทุกวันแต่ไม่มากนะักถ้าออกกําลังกายมากๆ ดีไม่ดีหัวใจหยุดเต้นฉุกจับเพื่อมาทํำยังไงนะฮะก็ไอ้ น, นี่ก็หัวเป็นหัวงเหมือนกันหลวงพ่อขึ้นไปวัดธรรมผ้าแดงบอกเออวัดธรรมบัวแดงไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปได้เพราะว่าผมเป็นโรคหัวใจแลว้วก็ขาก็าไม่มีแรงจึงต้องนั่งเก้าอี้เนี่ยฮะมันปดวดเขานั่งฟับฟอย่างนี้ไม่ได้อตอนนี้ หลวงพ่อพาผมขึ้นไปจมกันทึ่งถึงถ้ำถ้โบัวแดง น, นะครับโอ้โหหลวงพ่อบอกผมเลยครั้งมือผมก็ได้เรียนรู้ว่าโอ้หลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่ใจถึงเนนี้โอ้โห อ, อีกจะดูวันดาดูขั้นวันไดแล้วโอ้โหอีกเยอะเหลือเกินบอกน่ากลัวจะขึ้นไปไม่ไหวฮก็ขึ้นไปพักไปหลวงพ่อบอกเอย่าไปดูโน่นดูที่เท้า ก้าวไปเท้าหนึ่งอา้าวหายใจเข้าออกจนหมดเลยเท้านึงทีละขั้นทีละขั้นละขั้นไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผมขึ้นไปได้ถึงข้างบนนั่นถึงวัดธรรเลยซึ่งจริงๆแล้วมานั่งคิดว่าโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเนี่ยขึ้นไปได้ตาปกติไม่เดินยังไม่เชื่ออยากจะเดินก็มาเรียนเล่าให้ท่าน ขาก็พงฟังหลวงพ่ อ, พอาโอ้โหเป็นไปได้อย่างไรนี่เก่งจริงเขาทิ้ขึ้นไปได้นี่เพราะบารมีของหลวงพ่อหลวงพ่อพาเผาไปแล้วก็สอนไปเรื่อยให้ทํำก้าวทีละขั้นละขั้นหายใจออกยาวๆหายใจเข้ายาวๆไปทีละขั้นละขั้นละขั้นไม่น่าเชื่อเดินขึ้นไปถึงยอดเขาได้แล้วขึ้นไปถึงบนยอดเขาแล้วนะครับ ไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยเออกลับมีแรงดียังทําอะไรได้ไปสวดมนต์วนสวดพรได้อีกเออแต่ขาขาลงก็ค่อยอยงโชว่หน่อยคือตามปกติเดินขึ้นเนี่ยนะครับมันต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติเราต้องยกน้ําหนักตัวเราขึ้นไปเนี่ยมันต้องใช้พลังงานสูงกว่าไม่เหมือนขาลงไอข้ขาลงนี่เราลดพลังงานลงก็จะง่ายขึ้นขาลงนี่ก็ ค่อยยังชั่วไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่ฝนตกหน้าโดเลยผมก็หงายท้องลื่นเป็นแผนนิดหน่อยก็เรียกว่าปลอดภัยดีหลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อว่อาเป็นยังไงหลวงพ่อ ถ้ไม่ได้หลวงพ่อว่าไม่มีปัญญาขึ้นไปเด็ดขาดเลย่างคิด่ถามอยู่เลยเกือบถึงอย่างครับเนี่ยเกือบถึงย่างพ่อบอกอย่าไปคิดอย่าไปคิดอย่าไปดูข้างหน้าอย่าไปคิดมันคิดอยู่ตรงนี้ตรเท้าที่ราก้าวไปนี่คือปัจจุบันผมก็เลยได้สติว่าเออที่มาคราวนี้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ไปขึ้นวัดธรรมวัวแดงเนี่ยเออเราได้หลายอย่าง คือหนึ่งทําให้ผมรู้จึกคิดว่าอ๋อชีวิตมันต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้คิดอะไรคิดให้เป็นปัจจุบันนะมีสติอันนี้ผมเนะพิง่งเก็ตนะเพิ่งได้ฮะเมื่อก่อนนี้ไม่รู้เลยครับว่าจะทำยังไงจะคุมสติจะคุมยังไม่ค่อยจะอยู่และปัจจุบันปเป็นไงจะยังไงก็ไม่ได้คุณประเจ้า ก, ก็สอนผมเรื่อยว่าทำอย่างงี้คิดอย่างนี้ก็ พ, พยายามมาเรื่อยๆ แต่มาคราวนี้หลวงพ่อพาผมขึ้นไปวัดธ ร, รมเขาแดเนี่ยผมได้ประโยชน์อย่างมากทำให้ผมเข้าใจเข้าใจข้อปฏิบัติของหลวงพ่อดีขึ้นเยอะเลยจริงเลยว่าแหมามาคราวนี้เหมือนที่หลวงพ่อว่าแล้วแล้วบอกบอกผมว่าจะมีความสุขทั้งสามีภรรยาบอกขอให้ไปหน่อยขอให้มาผมก็เลยต้องมาแต่แรกคิดจะไม่มา โดยมานี่ได้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับผมต้องกราบขอขอพระคุณที่หลวงพ่อช่วยเหลือส่งบารมีให้ช่วยเหลือทุกอย่างเลยพ่อไปดูหยิบของในกระเป๋าผมผมก็ไม่รู้ว่าเออไอ้นี่ไม่ใช่ของผมเ่เออมาอยู่ในกระเป๋าผมได้ยังไง呀 หลวงพ่อไปตามหาบอกอยู่เนี่ยเขาอยู่ที่เสื้อเนี่ยผมก็ไม่รู้คือหลวงหลวงปู่โลคดอนนะก็คือหลวงพ่อช่วยเหลือบอกว่าเนี่ยนี่ที่ขึ้นไปได้เพราะนึงเนี่หลวงปู่หลวงปู่ช่วยแต่ผมคิดว่าหลวงพ่อแหะช่วยผมไม่ใช่หลวงปู่ที่เรยว่าโอ้โหแต่ที่ที่ปฏิบัติได้ที่ทําได้ดีก็เพราะหลวงพ่อ ผมเขาเข า, เาชอบฟังท่านเทศท่านสอนรู้สึกว่ามันทราบซึ้งเข้าใจง่ายไม่เหมือนพระอื่นๆทั่วๆไปไปวัดแล้วมันทีไม่ได้อะไรนะไปฟังพระสตดก็โอเคแต่มนฟังพอเทศเนี่ยมันได้ไหลายอย่างเยอะมากเลยเพราะนั้นทำให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นมีความสุขขึ้นทำอะไรก็มีสติ ไม่ไม่ทำอะไรที่มันผิดพลา ด, ลาดขนาดนั้นเรียกว่าก็ยังมีผิดพลาดอยู่เสมอเหมือนกันต้องพยายามที่จะควบคุมสติให้ดีนะฮะแล้วก็อยู่กับชีวิตปัจจุบันให้ได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่หลวงพ่อว่าเพราะฉะนั้ น, เ ห, นเหมือนกันนะพี่น้องก็ทำตามที่หลวงพ่อท่านสั่งสอนก็แบวกันว่า ทุกท่านก็คงจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขเหมือนๆกันนะครับขอบคุณครับ